บ้าหลงสังขารโดยปกติท่านอาจารย์มั่นจะพูดกับท่านแบบธรรมดาคล้ายพ่อแม่พูดกับลูกแต่หากเป็นเรื่องการภาวนาแล้วจะไม่พูดแบบธรรมดาเลยแต่จะจริงจังเด็ดขาดและพูดอย่างคึกคักเต็มที่ซึ่งถูกกับจริตนิสัย ที่ผาาโผลจริงจังของท่านมากคราวนี้ก็เช่นกันหลังจากที่เพลินอยู่กับการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับลืมหลับลืมนอนจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นต้องได้ใสปัญหาแก่ท่านดังนี้เวลามัน <ien> ออกทางด้านปัญญาแล้วนะโห มันพิจารณาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนนี่ก็ไม่ได้นอนมาสองคืนสามคืนแล้วมันหมุนติ้วๆเลยทั้งวันเลยนี่ละมันหลงสังขารท่านอาจารย์มั่นว่าจึงโตเหตุผลกับอาจารย์มั่นว่าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นหละบ้าสังขาร บ้าหลงสังขารที่แรกนี้ท่านไม่เข้าใจคำว่าบ้าหลงสังขารเพราะท่านอาจารย์มั่นก็ไม่ได้อธิบายถึงความหมายไว้ให้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านรู้ถึงอุปนิสัยของลูกศิษย์ว่าเป็นคนผาดโผลจึงได้ใส่ปัญหาแบบผาดโผลให้ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว ท่านจึงเข้าใจความหมายดังนี้ความหมายท่านว่าถ้าจะพูดให้พอเหมาะนะคือเราจะใช้ทางด้านแก้กิเลสก็ตามเรื่องของมรรคก็ตามเรื่องของสมุทัยก็ตามจะต้องเอาสังขาร น, นี้ออกใช้แต่เวลานี้สังขารมันใช้จนเลยเถิดมันเกินประมาณ มันเป็นสมุทยัยให้ใช้พอเหมาะพอดีมันจึงเป็นมรคฆ่ากิเลสนี่มันเลยเถิดแล้วจึงไม่ได้หลับได้นอนเพระาะนั้นท่านถึงบอกมันหลงสังขารคือสังขารมรคที่แก้กิเลสนี้มันเป็นสมุทัยอยู่ในตัวของมันนั้นนี้เราไม่รู้นี่ท่านเหนือกว่าท่านรู้นี่ เราถึงได้เถียงกับท่านถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารขนาดเลยทิ้งหมดเลยปัญหานี้ท่านไม่เอาไว้เลยนะท่านโยนทิ้งหมดให้เราหาใหม่